มีไ้มครับอ่คุณ ม, มใครเอ้าคุณบุญชูโถลืมคุณเพราะว่าอ่คุณบุญชูผ่านเป็นนักตึกกัน คมันน้องเข้ามาในกายนี้สําหรับผมเองผมคิดว่าผมลองตัดรวนอื่นเนี่ยก็ใช่ใช่นะแต่น่าจะทับที่สุดก็น่าจะมองกายเราเนี่ยนะกายกว้างสอบยาววามีสัญญามีใจครองนี่แหละเลยตอนนี้ผมได้ความคิดตรงนี้มาเมื่อ ว, วานเนี่ยผมก็เลยหันไปเปิดวิสุทธิมรรคเล่มสามวันนี้ลทางละใช่เลยแหละนะเพราะว่าในนี้บอกไว้หมดเลยทั้งตั้งแต่เริ่ม ปัญญาจะควรจะรู้ยังไงปัญญาคืออะไรนะแล้วก็บอกมาทั้งหมดต้องต่อรูปทั้งหมดเลยหละนะครับเอามาทั้งหมดคือเลยแล้วตรงนี้ถ้าเผิดเราเราเข้าใจตรงนี้ว่ารูปเขาบอกมาตั้งแต่ตาหูจมูกเปล่กายตรงนี้นะี่ยแล้วก็มาปูตะภาษาธรรมกิจยาภาวทยะอะไรนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเผื่อเราเข้าใจตรงนี้เขาจะบอกเหตุเกิดใ น, นรูปนะ เหตุเกิดแทงรูปเกิดได้อย่างนี้นะในท่านบอกไว้หมดเลยถ้าจะเจริญตามนั้นเน่ยคือคือผมมงคิดว่าในชีวิตผมเองเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดผมจําความเน้่เป็นคนเนี่ยผมคิดผิดมาตลอดเล ย, ย, ยไม่เคยมีอะไรผมตัดใจตัดสินใจแล้วมันถูกเลยนะครับแล้วอายุผมปั่นนี้แล้วเนี่ยถ้าจะให้ผมมาคิดเองอีกเนี่ยมันผิดแน่นผมจะข อ, อก็ทําคําสอนเนี่เราเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปกันแล้วกันขอคิดตามอย่างเดียวนะครับ เราก็ตามพระสูตรบางพระสูตรตามตะปีตกบ้างตามวิสุทธิมรรคเล่มหนึ่งสองสาะเหล่านี้บ้างนะี่นแล้วก็จะเรือนตามนั้นแต่ยังไม่ถึงที่สุดก็ขอขอข อ, ขอทำขอทำตามจากนั้นไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะว่าถ้าหากว่าเราเราอยู่เฉยๆแล้วนะ่ยนะฮะถ้าหากว่าเราไม่อยู่ด้วยวิหารธรรมอันมีสี่ประการเช่นทิพทิพทิพวิหารธรรมแล้วก็พรหมวิหารธรรม แล้วก็มันหรือสติปัญฐาเจียอะไรเรานี่ยนะฮะเราประโยชน์ด้วยด้วยบาปด้วยอกุศลทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องมีมีส่วนเราเนี่ย เ, เรียกโยนิโส เ, เสียงหมาเห่านะอ า, อาจจะนึกได้ว่าทํำยังไงถึงจะเป็นโยนิโสมนรณิการย์ได้หมาธรรมชาติมันจะเหา่าเราย้อนกลับมาหาคนได้ไมาว่าคนเควรจะทำอะไรโยนิโสมนรณิการหน้าที่ของคนนะใช่ไหมครับสัตว์เดรัจฉานมีหน้าที่หาอาหารกิน นั่น ค, คือเขาจะต้องทําอย่างนั้นและคนทำยังไงยู น, นิสโซเนี่ยต้องมีอยู่ในใจตลอดเวลาผมคิดอย่างนี้แต่ประการสําคัญที่ผมยังยังจับประเด็นหนึ่งว่าทําไมเราถึงรู้อยู่ว่ายูนิสโซมันสิการเป็นสิ่งดีสิ่งประเสริฐทาไมเราทําต่อเนื่องไม่ได้อาจารย์เคยบอกว่าน้องลงกลับมายึดดูสิครับว่าสินแรกเนี่ยคิ น, นไงไงไม่ดีแน่นอเลยศีล น, นะครับศีนไม่ดี ศ้าินไม่ดีปุ๊บเนี่ยอีซีสองวอลก็จะไม่ได้<ม>นะครับสิ่งเหล่านี้สุจารีสังก็จะมีตอบไปไม่ได้นั่นแน่นอนควรจะต้องมาศึกษาถอยกลับมาดูคือว่าสินบริสุทธิ์แค่ไหนตรงนี้กกระทําตรงนี้อยู่ขอความแค่นนี่ครับอาารย์ครับตอนนี้มีสองคนนะคะ <c oughs> ที่จะเป็นรักธรรมดีเด่นนะคะมีสองท่าน ออเาอไก่อนที่นี่ที่นี่ในที่นี้นะะอ้เน้อามันจะได้รู้อะไรดีัข้างหลังงใครอาสาบ้องคุณสมีไหมพูดไปแนี่ม่อนี่่คุณนีไม่ยางนะอ้ามั็นไไม่นไม่ไม่นกันเอ้านั่นหนูุี่มีเอา ออมีแต่ยังไมขี้เหนวอยู่ขี้เหนวอยู่ข้างหลังัมีไหมอ๋อตามซูบูข้างหลังข้างหลังใชมีอีกไม่มีนะพระขันวามัน ขออนุญาตท่านอาจารย์ดูดูแล้วก็น่าแสดงความยินดีกับญาติโยมที่ในฝั่งทำกันไปแล้วก็นำไปใช้กันได้เป็นส่วนมากอาตมาเองนี่ก็ได้มาฟังธรรมกับคุณโยมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าที่นำไปตึกนี่ดูคล้ายๆจะสู้ไม่ได้โยมแล้วก็ยังสังเกตดูก็ยังคลำ ม, มั่วอยู่ ก็ลองเอาไปตึกอย่างที่คุณโยมผู้การบอกเหมือนกันคือเอาพระชักสูตรไปพิจารณาไปพิจารณานี้ก็พิจารณาทีรา่รัศวา์ก็พิจารณาอย่างไรคือรูปที่เหตุพึงเห็นได้โดยตา บุคคลจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะใส่ใจไม่ก็ตามไม่ใส่ใจก็ตามรูปนั้นย่อมปรากฏในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจักษุคือตาของเรานี้บางทีก็สาธยายเอาเนะ่อย่างเอาแบบคล้ายๆจันทรินิตเหมือนกันเนะ่ะบางทีจิตมันไม่น้อมไปก็เอามา ว่าไปตามเงินยุกรมไปก็ว่าไปจากสุคือตานี้ประกอบด้วยรูปคื อ, จ า, อาจากสุทศกะกราบแล้วก็มีวินิโพครูปอันเกิดจากจิตอุตตุและอาหารเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความหมดไปเป็นธรรมดามีความแปรปวนไปเป็นธรรมดา มหาพูทธรูปสี่หรืออันมหาพูทธรูปสี่นี้ปัทว <okay>. ีอาศัยอโปเตโชวาโยเป็นปัจจัยมหาพูทธรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแกมหาพูทธรูปสามหาพูทธรูปสาปัจจัยแกมหาพูทธรูปหนึ่งมหาพูทธรูปสองเป็นปัจจัยแกมหาพูทธรูปสองมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ้นไปเป็นธรรมดาอาศัยจักรสุและรูปเกิดจากสุวิญญาณ แม้จักษุวิญญาณ น, นี้ก็มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุไรเพราะว่ารูปไม่เที่ยงแม้จักษุนี้ก็ไม่เที่ยงจักษุวิญญาณหรือจะเที่ยงได้อันนี้ก็เอามอพิจารณาบ้างเอาภาษาไยายบ้างตามสมควรก็อ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการได้มาร่วมฟังกับได้โยมแล้วก็พระคุณเจ้าที่มาในที่นี้ด้วยก็คงจะเป็นตัวอย่างไว้แค่นี้ ก็นี่นี้วนพราะคุณเจ้ามึงพี่ปีจานะต่อไปสาธยาไอ้ตึกอะไรมาบ้างคุณชัดนะน้องชายที่เสียชีวิตไปอนุญาตนะครับโดยมากผมก็นะอยู่ด้วยมรณะนุสติด้วยมากนะครับคือนะถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่ลืมเลยว่ามรณะนุสตินะ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมายี่สิบสี่พระองค์หรือว่าในัำพีบอกว่ามากกว่าทรายในมหาสมุทรนะนี่ก็คือท่านทิ้งร่างไว้สำเร็จไม่เป็นกิริยาแล้วท่านเป็นกิริยาวัตถุแล้วจิตของท่านก็ยังแตกดับไปจะปล่ยกลาประยายถึงเราครับแค่นี้ครับ คือขอเสริมนิดนะฮะว่าการการมาฟังเทศแล้วก็คลุกคลีกับเรื่องแบบนี้นี่เพราะว่าก็ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเวลาเวลาเราอยู่ในภาวะคับขันเนี่ยมันเอาไปใช้ไม่ทันอย่างเช่นเมื่อวานที่พระอาจารย์พูดถึงสูตรที่ว่าหอกมาเสียบข้างซ้ายทะลุข้างขวาเนี่ย ถ้าเราไม่เคยคล่องธรรมะมาเนี่ยเราใช้ไม่ทันเลยครับอย่างเช่นผมไปน้มตามือนิดเดียวเนี่ยโหมนคิดไม่ทันแล้วตอนนั้นมันโทสะขึ้นสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มสาธยายตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงนะตอนหอกเสียบข้างซ้ายข้าง ข, างขวาไปเนะียผมว่าผมก็คิดไม่ทันเหมือนกันถ้าผมไม่หัดตั้งแต่ตอนนี้ <c oughs> นะฮะเวามันปวดมันมั น, มน ตัวมันสั่นเล่าเๆ่าแบบนี้ผมว่าไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหรือมไม่อย่างผมผมจบคำนวณมาเนี่ยโจทย์ข้อหนึ่งผมต้องซ้อมทำสี่ห้าเที่ยวอย่างน้อยสักหกเดือนผมต้องจำได้จบคำนวณนะครับอัประสูตพนี้กหมือนกันผมว่าต้องท่องไปยจงกว่ามัน พอ น, นึกอะไรปุ๊บมันนึกได้ตลอดเนี่ยพ่อไม่พอพอนึกนิดเดียวอ้าวโอ้นักศึกษากนนั้นสวยสวยวนเพราะไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องซ้อมถาสาธยายจนจนให้ต่อเนื่องให้ครบให้ท่องได้ครบนะฮะเพราะผมผมขนาดผมสาธยายนี่เวลาผมตึกบางทีได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าเบื่อเสยแล้วอะไรเพีนน่ยนฮะผมต้องท่องเยอะ แล้วก็ประโยชน์ประโยชน์พวกนี้มีเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นโดยธรรมชาติร่างกายของผมเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลประมาณสักสารอเจ็ดสิบเป็นธรรมชาติของร่างกายผมเลยผมวัดมาเมื่อปานสิบห้าปีที่แล้วกับเมื่อสิบปีที่แล้วนี่ก็แค่นี้นะฮะแต่เมื่อปีที่แล้วไปวัดเหลือแค่สองรอยเก้าสิบดีใจมากเลยครับอ๋อทั้งตะกูลเล้วเยอะแบบนี้มาทั้งตะกูลแล้ว ครับพวกนี้คือประโยชน์ของของพวกเรธรรมะและตัวหนึ่งก็คือเวลาโกรธมันสามารถหน่วงให้ไ ด, ใได้ให้ได้น้อยลงหรือว่าช้าลงได้เพราะฉะนั้นผมว่าตกอย่างเดียวไม่ทันตอนนี้ต้องสาทยายให้มันคล่องไว้ก่อนคล่องแบบสองบกสองได้สี่อะไรแบบนั้นฮนะแล้วจะใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันครับผม กานนะั้นนว่าในฐานะครวาสนนัะ้ท่านศึกษาแนวนี้ไปแล้วนะท่านควรจะหาเวลาในเรื่องการตรึกนะชีวิตครวาสไม่เหมือนกับพระพิสุซึ่งมีเวลามากกว่าเรานะแต่เราก็ไม่ควรปฏิเสธว่าเราเราเราไม่มีเวลาพูดไม่ได้แล้วถ้าพูดอย่างนั้นพูดไม่ได้เลยต้องมีจะขอให้จัดให้มีจนได้แล้วกันนะไม่มากก็น้อยให้และทำขอให้ทเป็นประจำด้วยนะ ขอให้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริโภคอย่างหนึ่งอ่ะคือขาดการบริโภคไม่ได้เหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงต้องจัดสรรเวลาไม่แล้วแต่แต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะสิบนาทียี่สินาทีก็ได้แต่ทำเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นเป็นจริงเป็นจังเลยนะแล้วก็ท่านท่านก็จะจะเห็นผลเลยว่าเออการตึกนี่จาเป็นที่ว่าเราเวลาตึกเรามีน้อยคราว่าเนี่ย ก็เพราะว่าเวลาอื่นเนี่ยมันมันไม่เหมาะในการตึกเพราะเราต้องทํามาหากินอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขถึงบอกว่าชีวิตคารวามนมัคับแคบคับแคบตรงนี้มันคับแคบตรงนี้แล้วพระภิกษุท่านท่า น, ท, านท่านกว้างกว่าเรานะท่านกว้างกว่าเราท่านไม่แคบอย่างเรา <c oughs> ว่าจะยังไงยังไงนะผมขอแนะนําได้ยังไงยังไงนะคุณผู้น่คนมีอายุก็ตอนที่ตื่นนอนเช้าเ้าเนี่ยให้เวลาสักครึ่งชั่วโมงอะ เนะขาถ้าลองตึกอย่างน้อยที่สุดนะท่านตึกพุทธคุณไปเนถะส่วนใหญ่ผมมักจะตึกไปในพุทธคุณครับนะหรือจะสาธยาก็พุทธคุณนะเพราะว่าเห็นว่ามันเวลมันจำเป็นอะเวลามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเพราะนั้นพุทธคุณต้องต้องคล่องเรียกว่าคล่องนะสู่ต่างๆเกี่ยวกับพุทธคุณควรจะต้องท่องไว้ให้คล่องแคล่วนะอ่า น, นี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างหนึ่งส่วนนอกนอกจากนั้นและส่วนเวลานอกจากพุทธคุณแล้วก็ ก็ลองตึกดูเหมือนกันครับเช่นเมื่อคือนนี้ผมก็ก่อนนอนผมก็ออกมาเดินมก็มาเชิงจงกลมนะครับเพราะว่าทางผมลาดลาดเดินไปเดินมานี่นะผมผมมองหินถนนนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราจะเห็นอะไรแล้วให้เป็นไตรสิกขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผมผมลงมาตึกดูนะถ้าเห็นอะไรแล้วเป็นไตรสิกขาได้เนี่ยนะโมโหคตเรียกว่า เรียกว่าเอาละนั่นแหละเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วอผมมองเห็นถนนบอกเอ๊ะถนนนี่มันเป็นศีลและสิกขาได้ยังไงฮะผมโ อ, อ้โหต้องคิดนานครับกว่าจะเรียกว่าเออมันเข้าศีลพอเรื่องพระศีลนี่ยเราก็ต้องไล่ไปเลยนะมันมีตั้งแต่อวิรัติศีลแล้วเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลเนี่ยนะเรามาไล่ดูนะว่าอมันเข้ากับไอมองถนนแล้วมีถนนเป็นอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นได้ศีลอย่างไงบ้าง ไล่ไล่ดูมันก็พอได้นะเช่นโดยเฉพาะในเรื่องวัจีทุจริตเนี่ยนะพอได้โกหกโกหกเกลียกับเรื่องถนนเนี่ยพอได้นะหรือว่าเมตตาอะไรเนี่ยนะถนนเนี่ยเราอ่านให้คนเดินผ่านหรือเข้าออกเนี่ยโอ้ถนนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะไอที่เข้าออกที่ผ่านที่บอดที่อะไรเนี่ยนะเรื่องถนนเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตึกดูว่าเออเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเรื่องอันนั้ออภยาปาทานี่นะ มันก็พอพอส่งเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตึกไปในใตสิกขาได้นะเรียกว่าค่อยค่อยฝึกไปเรื่อยพอจิตตสิกขาเนี่นึกไม่ค่อยออกครับว่าถานนเนี่ยเป็นจิตตสิกขาได้ยังไงนะเอ๊ะมันเข้ากรรมาฐานอะไรได้มั่งนะเรามานันึกนึกดูนึกไม่ค่อยออกครับแต่พอปัญญาสิกขายังพอได้เพราะเอาักาจักาสูตรเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหม เพราะอาศัยรูปและจักกูจึงเกิดจักกูวิญญาณเนี่ยนะแล้วเราเอามาม า, ม า, มาพิจารณาว่ามันมันเข้ากฎเกณฑ์ยังไงบ้างยังยังพอเข้าใจได้แต่พอมาถึงจิตตสิกขานี่นึกไม่ออกเดี๋ยวท่านลองแนะนำผมหน่อยดีว่าผมเห็นถนนเนี่ ย, ย, ยก็เคยเห็นครับรรก็ก็ถนนเป็นที่ตายของสัตว์ก็ก็ ก, ก็ใช่ครับนะเป็นที่ก็ ก็ได้ครับพ ร, พราะยังไม่คล่องแคล่วครับยังไม่คล่องแคล่วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรแล้วเป็นไตสิกขาได้นี่นะเรียกว่าท่านมีมีอะไรนะมีวิหารมีวิหารธรรมเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่เอาใครช่วยอีกหน่อยมีไหมใครมีประสบการณ์อะไรมั่งมีไหมคุณท่านนี้ฟังไปร่าได้อะไรมั่งคท่านนี้น่าจะอ่อยใช่ไหมเคยตรึงไห ม, ไม ใจบีดบดเพื่อนที่คุณผ่านตาดีทอง่ไหม่ะแ่แเยใช่อาว้าไปเลยออย่างที่ผู้การว่าอ่า เห็นถนนนะจิตตสีขานิยมก็มาคิดดูว่าในจิตนี่ที่เราเรียนจิตานุปัสสนานี่มีสิบหกข้อว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะแล้วไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแต่ทีนี้ลองเอามาเทียบดูว่าขนาดที่เราเดินไปบนถนนเราเราคิดถึงคำสั่งสอนนี้บ้างไหมถ้าเราคิดถึงคำสอนนี้ก็ ไม่มีแต่ที่ว่าไม่มีต้องเดินด้วยความจึกพระธรรมไปด้วยที่ว่าไม่มีราคาแต่ถ้ามีราคาแล้วก็แสดงไม่ได้คิดถึงคําสอนก็เป็นว่าเดินไปอย่างสะดวกสบายไม่ได้คิดถึงอะไรเลยอันนี้เป็นข้อเดียวอีกข้อหนึ่งเดี๋อีกอีกอีกอี ก, อ, กอีกที่เหลือนั่นนะฮะมี เหลืออีกสิบสี่ข้อก็ในทำนองเดียวกันต้องให้เป็นไปในฐานศีลภาวนาแล้วก็เอากรรมมบทตสบมาสงเคราะห์ลงไปในนั้นไม่ทราบผมกลผมกล่าวว่ามไม่มีที่ไหนท่านสอนให้ตามตามแนวคัมภีร์นี้นะไม่มีที่ไหนเขปฏิบัติเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาปฏิเสธว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดนะไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ใช่การเจริญท่นเจริญธรรมะไม่ใช่มันเป็นความคิดดีไม่ดีฟุ้งซ่านไปเลยนะแล้วก็ปฏิเสธเรื่องความคิดด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้ น, เ, นเรื่องตรงข้า ม, มนี อนุญาตคือใครจะใครจะโยนิโสมันสิการได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับไม่ควรลืมไปสองที่นะครับที่หนึ่งเนี่ยก็คือห้องซ้วมนะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่นอนที่นอนห้องนา้าห้องส้วมกับห้องนอนสองที่เนี่ยครับเพราะว่าทําไมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยตายที่สองที่นี่เยอะอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปสองที่แล้วโยนิโสมันนัสิการไม่ได้เลยนี่ก็น่ากลัวนะครับ สัตว์ที่คือคนโดยสถิติโดยสถิติเนี่ยตายในห้องน้ํากับห้องนอนนี่จะเยอะตายในห้องน้ําเยอะเนี่ยมันหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเบ่งอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเดี๋ยวพราะคนสูงอายุเนี่ ย, ยก็หัวใจวายตายบ้างเส้นเลือดแตกตีบตันตอนนั้นบ้างหรือว่ามีเหตุอื่นให้ตายตอนนั้นบ้างหกล้มหกล้มกระดูกหักก็มีอัตราตายสูงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสองที่นี้ก็ ก็หากรรมฐานอะไรพิมพ์ติดไปสักอันนะครับอย่างน้อยก็ให้นึกได้ห้องนอนนี่ก็ไม่รู้ว่าหลับแล้วจะตื่นหรือเปล่าหรือว่าหลับไปแล้วตื่นมาแล้วจะหยุดอีกสักหลังตื่นอีกเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีได้แต่ว่าก็ชอบกรรมฐานอะไรก็พิจารณาสักอันหนึ่ง อะไรนะครับก็เชิญคุณจิน ตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมัยผม Atari antage, ผมาทํางานที่นี่ใหม่ๆก็อยู่ที่หอพักเอ๊ะเมื่อไร่จะมีบ้านกับเขาทีเมื่อไหร่จะมีรถกับเขาทีสิ่งแรกก็เอาบ้านแปะไว้ไว้ปลายเตียงแล้วก็นอนดูทุกวันปีเดียวแล้วได้บ้านเลยะก็เราสะกดจิตเราทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวก็เชไปทางนั้นเอง อันนี้เป็นวิธีสะกดจิตตัวเองอย่างหนึ่งฮะพราะนั้นตอนนี้ผมเอาใหม่เอารูปเจดีย์บ้างรูปพระไว้ข้างที่อไอ้ทางข้างนอนเนี่ยเราสะกดจิตเราทุกวันเลยไม่เผยไปนอกทางผมว่าอาจจะได้ผลเพราะเป็นพวก น, นี้เป็นวิธีสะกดจิตตัวเองอย่างหนึ่งไม่ให้นอกลูก่นอกทางเมื่อเราใช้ใช้ใช้คาถาเมื่อได้ก็ใช้เวทมนต์เอา เราไปอยู่ป่าก็ดะอยู่ในห้องว่างแล้วให้คิดอย่างนี้หมายความมาธรรมดาเด็บของคนเรานั่นมันจะคิดสู้งต้านไปในเรื่องเ<ม><ม>ขาจะนเพื่อจะให้เก็บคิ ด, คดในสิ่งที่เป็นผู้สอนเก็ม า, าคิดเรื่องพิจารณาเรื่องอะไรที่จำต้องทำสิหรือไปโต๊ะบันหเมื่อเราน อ, นอนไม่หลับติดใจเราสูา้งต้านเราก็เอาอารมณ์จับอารมณ์ใหม่เพื่อหยาดการตุการทุกคนบอกกัน เอาพนติดตัก็หมายความว่าเราเอาจของเรตัวนี้มาฟกัสเที่จดเดียวไมบราอย่างถ้าเราไม่มีจดใจยงเยเจใจมาเรามันจะะเป็นขาเข้าใจจิตเาอจุทันไม่ออกความเห็นอะไรบ้างเอาไม่ไหม เนไไาะยังไม่พอจะแชร์งนนั้นน้อยในในเรื่องนี้แ่าาามาที่ตรงนี้เราเป็นหน้าใหม่เราฝึกเรีนเาฝึกฝึกไป็นฐานสี่สุดก่ป็นเวลายี่สปีที่ น, นั่งนั่ในห้องเลย ไม่รู <önemli> <li> word, ้ว่าเด็กันก็ผม6ปีมัธยม6ปีเภสตรี4ปีบิยาโต้2ปีอย่างนอีก5ปีเระทุกซีนเป็นทางแบบนั้นคือพูดภาษาจมาแล้นจับประหลดไม่ได้ ฟังคนอื่นเองจะดูว่าแต่ละคนโดยมากไปคิดอะไรอยู่เราคิดยังไงคิดเพื่ออะไรนั่นนะไปคิดอะไรคิดทําไมและคิดเพื่ออะไรแมันจบที่ไหนแน่ๆ ถสิ่งและพัฒนาปรามาสการมราคผลิตครูปราคาอนุณ์ ร, ราคามรนระุณเจาอวิชานีครับนีจริงมถาถามว่าถ้าเราจะมาคิดเรื่องเรื่องอย่างอย่างที่ผบอกกันตอนาเมืม่อกี้เนี่ยว่าเรื่องการรูปโลาว่าเราถ้าคิดอย่างนี้จะได้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าคิดตรงนี้แล้วนถ้าคนติดในรูปเนี่ย ถ้าเราไม่รู้เหตุเ ก, เกิดเหตุกับของรูปนี่ยอัตราท่าอาท์ตีนาว่าของรูปและนิสัยหน้าของรูปก็จะไม่มีได้ใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าเรารู้ตรงนี้แล้วรูปเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือจะสอนสกัดญาติติดของนั้นเอง ท, ที่ผมบอกแนวที่ผมผมคิดอย่างนงี้ไม่ทราบว่าถูกต้องหระอเปล่า